จะต้องจะต้องมาเดินตามรอยเดิมเนี่ยหมเอามากลัวยิ่งกว่ากลัวผีผียังไม่น่ากลัวเท่าเลยดีตรงไหนการเกิดเนี่ยนี่ถ้าหาว่าใครเสกสรรสร้างเราขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้ามองแบบเป็นรูปธรรมเนี่ยตศัตรูกันชัดๆเลย เป็นคนสร้างขึ้นแน่ยศัตรูแน่แนอนเลยทุกขนาดในชีวิตนี่อแต่ก็หลายท่าน น, น่ะนะอาจจะเป็นผู้ที่ได้สุกโสมนัตมากก็อาจจะไม่เห็นภยัยทุกคนมาทุกคนเ น, น่ยนะ ล, ลืมว่าเคยทุกข์อ่ะเนี่ยท่านทุกข์าการไม่น่าจะลืมเลไม่น่าจะลืมแลความลืมความทุกข์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าด้วยอำนาจโมหะโมหะมันปิดบังคือความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตความไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท คือเมื่อไม่รู้ก็ตกอยู่ในอำนาจความเพลิดเพลินก็เนึกว่ามันดีนแต่ว่าแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเราก็มานั่งทบทวนดูนะมันฝันชัดๆเลยเหน็ดเหนื่อยก็เหนื่อยจริงอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนฝันมันเหมือนกับทุกคนที่ได้รับทุกมาก็เหมือนกับฝันร้ายจะเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้แต่ที่มันไม่ร้ายอยู่อย่างหนึ่งคือ สมมติว่าฝันว่าไปกู้นะแต่มันต้องใช้จริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่ามันฝันร้ายด้วยแล้วก็มีคอบผูกพันไว้ด้วยถ้าเฉพาะมองแค่ตรงนั้นเนี่ยนะมองแค่ที่ผ่านมาเราทั้งหลายเป็นมนุษย์เป็นผลของบุญสุขติภูมิก็ควรที่จะภูมิใจแล้วละแต่ในขณะเดียวกันแล้วกรรมที่เราทำไวล้ล่ะเนี่ยเลยเอาไปทิ้งไว้ไหนกัน กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมชีวิตเราเนี่ยทำกรรมมากกว่ารับวิบากเนี่ยนะทกรรมมากวันวันหนึ่งทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะแล้วกรรมเหล่านี้จะไม่มีผลหรือเมื่อกรรมเหล่านี้มันมีผลเนี่ยนะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวกรรมที่ทำไว้เนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งอดีตชาต เราเป็นนักบุญมาทุกชาติเลยหรือนะนะเป็นคนที่ปารบศัตวิ์ก็เมตตามาตลอดจิตคิดจะฆ่าไม่มีเลยเห็นทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวดุดอสารพิษไม่คิดจะอาจเอื้อมหยิบเอามาเป็นของตนนะนะเห็นบุรเห็นภริยาผู้อื่นก็หูตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าฮิริโอตะปะสูงส่ง พูดก็ดำรงอยู่ในคำศาสตร์คำจริงสุราและเมรัยก็เว้นหมดเนี่ยนะกุศลกรรมบดดีเยี่ยมมาหมดทุกข้อเลยเป็นอย่างนั้นไหมนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะกรรมบด ท, ทุกอย่างที่เราล่วงไปไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยนะนะอันนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าอบายะทุกข์แม้กระทั่งกุศลกรรมบด ท, ที่เราได้ได้ทมานะแม้กระทั่งสิ่งนั้นเป็นบุญ เราเราท่านท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ก็ผลของบุญใช่ไหยผลของบุญนะี่ยนี่ยังทุกข์ขนาดนี้นะยังนึกกันนหะผลของบุญนะยังลำบากขนาดนี้ผลของบุญนะ่ยังเดือดร้อนขนาดนี้ผลของบุญนะี่ต้องบริหารขนาดนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างกรรมทั้งหลายเพื่อเพื่อวิวาตเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดถามว่ามันผิดยังไง คือในที่สุดก็หวนงกลับไปสู่กองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะแล้วการมมัสุขติทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เพียบพร้อมด้วยเบญจากรรมมคุณเนี่ยนะมีดีอยู่ดีมีสุขหมดเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรหมายถึงว่าทาทุกอย่างเพื่อให้เพียบพร้อมด้วยการมมคุณใช่ไหมเมื่อเพียรพร้อมด้วยเบญจาการมคุณแล้วเอาไปทำอะไรกันนี่สมมตินะทุกคนสแสวงหาอานาจกันถ้าได้อานาจแล้วเอาไปทำอะไร จะเอาไปมีเมตตามากขึ้นจะได้ไปทำการุณามากขึ้นจะได้ไปเจริญมุทิตามากขึ้นอย่างนั้นไหม น, น่นนะหรือว่ามีอำนาจสามารถทำทุจริตได้มากขึ้นถ้าถ้ามีอำนาจมากขึ้นนะก็อย่างที่หลายๆท่านเช่นว่าปรารถนาว่าขอให้มีทรัพย์เนี่ยถามว่าเอาทรัพย์ไปทำอะไรเช่นว่าเอาขอให้ข้าพเจ้ามีบ้านสมมตินะเออถ้ามีบ้านเอาไว้ทำอะไร ถ้ามีบ้านนะครัพระเจ้าจากหลีกร้นจากนั่งกรรมฐ า, านวันละห้าชั่วโมงคิดอย่างนั้นไหมละ่ะเราบางคนนี่คิดเลยนะโหต้องสร้างห้องเครื่องเสียงในบ้านนั น, นะลงทุนหลายล้านด้วยนะบางคนเนี่ยเป็นสิบล้านทําเหมือนเทเตอร์อยู่ในบ้านเลยลงทุนยิ่งกระโรงหนังอีกเสียงนี่ก็หึมไม่หมดเลยนะชีวิตเขามีความสุขมากเลยตรงนั้นแหละแล้วลมันเป็นกุศลอะไรสักข้อหนอึ่งไหม เนี่ยนะคือถ้าแม้กระทั่งมีรถเนี่ยนะเอารถเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรบางครอบครัวก็บอกว่าจะได้ชวนกันไปเที่ยวค่าไหนก็นอนนั่นเขาว่ากนถ้ามีที่เรียกว่ามีมีทั้งหลายอะไรเนี่ยนะมีเอาไปทําอะไรเพราะฉนั้นพระองค์ตัว่าโทษของวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายที่บุคคลมีมีอยู่ก็เอาไปทำบาปทําอกุศลเพราะว่าอาการที่มีมีก็เอาไปทําเหตุที่ไม่ดีให้แก่ชีวิตเนี่ยนะ เมื่อวัตถุ ก, กรรมเหล่านั้นหมดไปบาปมันตามให้ผลกลับมานี่จะเป็นยังไงก็ไม่เป็นอะไรร้องก็เป็นมดแดงอยู่นี่แหละตามมาถึงนีง่นี่ก็เพราะโทษของการเกิดนะนั้นอุปาทานขันห้าของผู้ที่ยังลุ่มหลงผู้ที่ไม่พิจารณาผู้ที่ไม่ใคร่ครวญให้รอบคอบในอุปาทานขันห้า อุปาทานขันท่าเนี่ยพระองค์ตรัสว่ามันเป็นสังโยชนิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดทั้งร้อยทั้งรัดเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันทีนี้ถึงจะผูกถึงจะพันขนาดไหนก็ตามแล้วมันผูกอย่างนั้นได้ตลอดไปไหมละ่ะมันน่าผูกพันอย่างนั้นตลอดไปไหมมันก็ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนั้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจึงเป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมที่นำออกจากกองทุกขเหล่านั้นการที่เราจะพิจารณาเพื่อที่จะออกกออกจากกองทุกขนั้นๆได้เนี่ยนะการพิจารณาชาติทุกเป็นต้นนี้จึงสำคัญมากเนี่ยนะรนะะลึกถึงชาติติทุกขว่าความเกิดมันเป็นทุกนะจึงอยว่าบุญมันให้ผลนาเกิดมาอาจจะสุขสบายอยู่บ้าง แต่ก็พยายามน้อมพิจารณาบุคคลอื่นที่เขาเดือดร้อนว่าเราก็ยังไม่ได้พ้นจากสภาพเช่นนั้นมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าดูกวานที่สูตรทั้งหลายถ้าหากว่าเธอไปเห็นพวกทุกขตะเข็นใจเนี่ยนะคือคนทุกคนยากคนลำบากคนพิการยาจกขอทานทั้งหลายเนี่ยนะเธอพึงน้อมเข้ามาสู่ตนได้เลยว่าในอนาคตอันยาว ก็เรียกว่าในอดีตอันยาวนานแม้เราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วนั่งรถมากะโยมคนหนึ่งก็ชี้ให้เขาดูว่าเห็นไ้มนะั่นนอนข้างถนนว่าเราก็ยังไม่พ้นจากสภาพแบบนั้นนะเขาบอกชาตินี้ผมก็นอนแบบนั้นมาแล้วว่ากันก็เคยนอนแบบนั้นมาแล้วว่านอนข้างถนนข้างที่ที่จอดรถเมยะนะ แล้วก็บอกว่าออชาตินี้ก็เคยนอนมาแล้วล่ะเนีไม่จำเป็นต้องอดีตชาติอะไรหรอกแล้แลก็ถ้ามันละลึกถึงโทษภัยของขันห้าว่าขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมณนัทไม่ใช่น้อยเลยก็มันละลึกๆๆเกเถอะแล้วก็การพิจารณาการห้วนใครวนแบบนี้นี่นะเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเพราะเป็นการพิจารณาทุกขาริยสัต์ใช่ไ นี่คือการพิจารณาทุกขาริยสัตว์การพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นปัจจัยเพื่อกำจัดฉันทราคะในในกองทุกขเหล่านั้นๆสำคัญมากก็คือไม่ค่อยพิจารณาเพราะทำไมจึงไม่ค่อยพิจารณาใช่ไหมเพราะอะไรผู้การว่าเพราะอะไรทำไมเราไม่ค่อยเอาสิ่งเหล่านี้มาใครครวนให้มันให้มันเห็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะอะไร